วันนี้เป็นวันวันพฤหัสบดีที่25มกราคม2544ครับก็เป็นวันกองทัพไทยในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงเหมือนกัน ทรงแสดงเรื่องนักรบเรื่องนักรบ เ, เทียบกับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีภิกษุเป็นประธานยกภิกษุขึ้นมาเป็นประธานว่านักรบที่ดีซึ่งสมควรเป็นสมควรเป็นนักรบของพระราชา ก็มีคุณสมบัติสามประการประการที่หนึ่งเรียกว่าทุเรปาตีแปลว่ายิ่งได้ไกลยิ่งได้ไกล <c oughs> ประการที่สองเรียกว่าอคคะเวทีว่ายิงได้แม่นยับแล้วก็ประการที่สามมหาตกายสสะปะดาลีตา ว่าทำลายข่าศึกได้ด้วยกำลังทำลายข่าศึกที่มากมายมห ah, ามหาโตกายะกองใหญ่ข่าศึกกองใหญ่ได้ด้วยกำลังน้อยคือว่าแม้จะมีกำลังน้อยกว่าก็สามารถจะทำลายข่าศึกได้ <c oughs> อันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบให้ให้ดูว่าเหมือนภิกษุภ <c oughs> ิกษุหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมให้มีคุณสมบัติสมอย่างก็ดีถือว่ายิงได้ไกลยิงได้ใกลนั่นหมายถึงรู้จัก <c oughs> รู้จักขันห้ารู้จักขันห้าเรียนรู้เรื่องขันห้ากำหนดครู้ขันหา้า แล้วก็ละความพอใจเรืออุปาทานละอุปาทานในขันธ์ห้านี่เทียบกับการยิงได้ไกลแล้วก็อประการที่สองอักคณะเวทีนั้นยิงได้แม่นยาอันนี้เทียบกับ ก, บการรู้อริยสัจสี่ผู้ที่รู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริง ซึงประกอบด้วยรอบสามาการสิบสองก็เรียกว่ายิงได้แม่นจำข้อสุดท้ายสามารถทำลายกองคาสึกกองใหญ่ได้ด้วยกำลังเ็กน้อยอันนี้ก็เทียบกับเรื่องที่ว่าสามารถจะทำลายกองอาวิชชา สามารถจะทำลายกองอาวิชชาได้การทำลายกองอวิชชาได้เทียบกับทำลายกองคาสึกการยิงได้แมน่นยำการ <c oughs> รู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงเทียบกับการยิงคาศึกได้แมน่นยำแล้วก็ <c oughs> การรู้กันหา้า รูปคันห้าเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรรู้อันนี้ก็ควรทำความเข้าใจแล้วการละความพอใจในคันห้าหรือละอุปาทานในคันห้าก็เทียบกันได้กับการยิงได้ไกลอันนี้ก็เพิ่งทราบสักครู่นี่เองตอนที่โทรเข้าไปทางสถานี ทางสถานีบอกว่าเนื่องจากวันนี้เป็นกองทัพไทยกองทัพไทยนั่นรู้เป็นวันนี้วันที่ยี่สิบห้านี่ก็รู้แต่ว่าเพิ่งทราบว่าจะมีการไ่ายทอดก็เลยนึกขึ้นได้ว่าน่าจะพูดเรื่องกองทัพไทยนิดหน่อยเ <c oughs> ทียบกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในพระสูตรหรือในพระสุตรตันตปิฎก อันนี้ก็อยู่อังคุตานิกายติกานิปาสหมดสามนนะครับคมพีอังคุตานิกายติกนิบัสทคราวนี้ก็จะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติเจ็ดประการาที่ทำให้เป็นที่มาของโชคลาภหรือว่าโชคลาภยอมหลั่งไหลมาสู่บุคคล ผู้มีคุณสมบัติเจ็ดประการที่พูดค้างเอาไล์พูดมาได้6กประการแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นประการที่เจ็ดเป็นประการสุดท้ายขอทบทวนนิดหนึ่งนะครับประการที่หนึ่งมีความมุสาหาพักเพียนข้อสองไม่ผัดเพี้ยนเวลาข้อสามรู้เท่าทันชั้นเชิงกิจการ ข้อสีไม่เกือบกลัวในทางเสื่อมข้อห้ามีความกล้าหาญข้อหกรู้จักอุปการะคุณของท่านผู้มีคุณแล้วก็ตอบแทนแล้วก็มาถึงประการที่เจ็ดเนี่ยครับประการสุดท้ายมีความปราณีแนบแน่นในสันดาลคำสันดาลนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับในภาษาธรรมะท่านใช้เสมอ ในภาษาไทยที่เอามาใช้อยู่ดูมันจะเป็นคำที่ไม่ค่อยไพเราะบางทีก็ติดไปถึงเป็นคำจากบางคนเาขาอบอกว่าสันดาลพอเขาบอกว่าสันดานก็เจ็บแล้วอยเยิงคำนี้เป็นคำที่หมายความว่าติดต่อกันมาทำอะไรติดต่อกันมาสัน ต, ตินะครับสัน ต, ติ แปลว่าต่อเนื่องอที่นี่ที่เป็นสันดาลนี่มาจากคำว่าสันตาลนะสันตานะนานะภาษาบาลีเป็นสันตานะแล้วเราก็มาใช้เป็นภาษาไทยว่าสันดาลาพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าก็ยังใช้ยังมีใช้กับพระพุทธเจ้าว่ามีพระสันดาลอันบริสุทธิ์สัพโสสุทธสันตาน พระพุทธเจ้านั้นมีพระสันดานบริสุทธิ์โดยประการทั้งปวงคือว่าไม่เท่าไม่ว่าท่านเกิดในชาติใดในสมัยใดเกิดเป็นอะไรท่านก็จะเป็นคนดีเป็นสัตว์ก็จะเป็นสัตว์ที่ดีเป็นคนก็จะเป็นคนที่ดีก็มีสันดานบริสุทธิ <c oughs> ์เพราะฉะนั้นหัวข้อที่ว่า มีความปราณีแนบแน่นในสัญญาณและก็คือว่าได้ํำเพ็ญอบรมความปราณีติดต่อกันมาเป็นเวลานานจนแนบแน่นอยู่ในจิตสัญญาณทีนี้คำว่าปราณีเนี่ยนะครับคำว่าปราณีหมายความว่ากันะไรมีเขียนอยู่สองแบบ อ่คนที่ชื่อปราณีก็เห็นมีเขียนอยู่สองแบบคือว่าแบบนอนหนูกับนอนเนรทีนี้ถ้าตามภาษาศาสตร์่ปราณีตัวนี้ต้องต้องเขียนนอนหนูอ่ถ้าเขียนนอนเนรก็จะแปลว่าผู้มีปราณแปลว่ามีลมหายใจแต่ถ้าปราณีนอนหนูก็แปลว่ามีจิตใจอ่อนโยน มีจิตใจอ่อนโยนมีความเอ็นดูต่อผู้อื่นคือว่าร่วมเอาเมตตาและกรุณาเข้าด้วยกันปราณีอันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็ห้ามไม่ลังมาเองเหมือนผลอันชื่นใจจากฟักฟ้าสุาลาไหลสุดแดนติง นี่ก็เป็นของล้นเกล้าราชการที่หกนะเท่าที่จำได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าต้องออกมาจากใจเป็นเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจนี่าณีนี่มันจะตรงกันข้ามกับทารุณนโหดร้ายและคนที่มีจิตใจทารุณนโหดร้ายแนบแน่นอยู่ในสันดาน ก็จะแสดงออกในทางทารุณโหดร้ายอยู่เป็นประจำออถ้าจะใช้คนก็ใช้อย่างไม่ปราณีอย่างที่เรามีคําพูดในภาษาไทยว่าใช้อย่างไม่ปราณีปราศัยคือว่าใช้อย่างโหดร้ายแล้วก็ไม่ถาม ไม่ถามถ่ายสุขทุกข์ไม่ไม่อาอนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณเป็นไข้หรือเปล่าคุณไม่สบายหรือเปล่าคุณหิวหรือเปล่าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ปราศัยใช้อย่างเดียว อ, อันนี้เรียกว่าใช้อย่างไม่ปราณีปราศัย ทีนี้ก็ปราานี่นี่ก็น่าจะรวมเอาเมตตากรุณาเข้าด้วยกันตอนนี้ถามต่อไปว่าเมตตาคืออะไรการุณาคืออะไรเมตตานี่มีรากศัพท์เดียวกับคําว่ามิตรอหรือไมตรีนั่นเองมาจากมีรากศัพท์เดียวกันกับคําว่ามิตรหรือไมตรี หรือมีไมตรีก็คือมีเมตตาที่เมตตก็คือมีไมตรีหรือมีไมตรีจิตมิตรภาพเมตตานี้เป็นสภาพจิตที่จะมีความอ่อนโยนปรารถนาสุขต่อผู้อื่นปรารถนาความสุขต่อผู้อื่นหวังความสุขต่อผู้อื่น นำความสุขเข้าไปให้อันนี้คือลักษณะของเมตตานำความสุขเข้าไปให้ถึงเขาจะสบายอยู่แล้วเราก็อยากจะให้เขามีความสุขมากขึนแ้วก็เพิ่มความสุขให้เวลาเวลาเราแผ่เมตตาก็จะแผ่ว่าสัพเพสัตตาสุขีตาหุนตุ ว่ขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดอันนี้แปลว่าแพ่ไม่เจาะจงเป็นสากลหรือทั่วไปเรียกเป็นสัพธรรมะว่าอนุทิสสะรณาว่าแพ่ไม่เจาะจงครนี้กรุณาการุณานั้น อสภาพจิตที่ต้องการจะนําเอาความทุกข์ออกเมตตานั้นนําความสุขเข้าไปให้กรุณานั้นนําเอาความทุกข์ของเขาออกก็มีความวันใจต่อความทุกข์ของผู้อื่นเห็นใครได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน ก็ท น, นไม่ได้อยากจะช่วยเหลือ <c oughs> การทนไม่ได้เพราะความการุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษมหาุริสภาวัฏะลักษณะกรุณาสาหการทนไม่ได้เพราะความการุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษ คำว่ามหาบุรุษในที่นี้หมายถึงผู้หญิงด้วยที่ว่าหมายถึงว่าเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่คำว่าบุรุษนั้นไม่ได้หมายถึงผู้ชายอย่างเดียวถ้าเป็นภาษาธรรมะแล้วก็มาโดดโดดไม่คู่มากับอิทธีหรือนารีก็ให้หมายรวมทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเช่นคำว่าปุญญเจปุริโสกยิรา ถ้าคนพึงทำบุญก็ให้ทำบ่อยๆเอตาปัญเจปุริโสกยิสาถ้าบุคคลพึงทำบาปก็ไม่พึงทำบ่อยๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้คือความหมายของเม <c oughs> ตตาการุณนาตอนนี้ปัญหาต่อไปว่าเราจะปลูกฝังอย่างไร จึงจะมีความปราณีแนบแน่นในสันดาบเราจะปลูกฝังอย่างไรจึงจะมีความปราณีแนบแน่นในสันดาบอันนี <c oughs> ้ขอให้คิดอย่างนี้นะครับ เ, เราจะมีอะไรแนบแน่นอยู่ในใจเราต้องทำบ่อยๆ ต้องทําบ่อยๆจนที่เรียกว่าอาเสวั น, นะคือว่าเสพคุณหรือว่าเสพ บ, บ่อยๆทําบ่อยๆว่ามันจเจริญอบรมเมตตาการุณาอยู่เสมอเอ่อมันจเจริญอบรมเมตตาการุณาอยู่เสมอเมื่อมันเมื่อเรา มันอบรมเมตตาการุณาอยู่เสมอมันจะเข้ามาจู่ในอุปนิสัยสันดานมันสืบต่อกันมาเรื่อยๆไม่ขาดสายไม่ขาดระยะอนนีถามต่อไปว่าจะเริญนอบรมอย่างไร <c oughs> อันนี้ก็ขอให้นึกจางนี้นะครับคือว่า เอเราจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็ให้ทำด้วยเมตตาอย่าทำด้วยความหวังรายแล้วก็ทำด้วยความกรุณนะอย่าทำด้วยการคิดเปปี่ย ด, ยด อ, อวัจจิกรรม เ, เมตตาวัจีกรรม เ, เราจะ พูดอะไรกับใครก็ตั้งเจตนาในการที่จะพูดด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยการที่จะนำสุขไปให้เขาและก็บำบัดทุก์ที่เขามีอยู่ที่นี่ก็มาประการที่สามคือเมตตามนกรรม จะคิดอะไรต่อใครก็คิดด้วยเมตต า, าคิดด้วยการุณาไม่ไม่ปองร้ายไม่หวังร้ายมีแต่ความหวังดีแล้วก็คิดจะช่วยความทุกข์ของเขานี่เรียกว่าเมตตามนกรรมท่ <c oughs> นนี้พ่อบ้านแม่เรือนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ต้องการให้ลูกหลานเป็นคนมีเมตตาทั้งทางกายทางวาจาและทางใจก็ต้องพยายามทําตัวเองเนี่ยครับทําตัวเราเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยให้เป็นคนที่มีเมตตาทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจอยู่เสมอ เมตตาต่อเขาเมตตาต่อผู้เกี่ยวข้องตลอดไปจนถึงสัตว์รักชาติมีมีทางที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อช่วยเหลือมันก็ช่วยเหลือมันตามตามฐานะที่จะทำได้พวกเด็กเขาจะเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันแล้วเขาก็จะมีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาการุณาเช่นเดียวกันแต่ ถ้าเขาเห็นแต่ความโหดร้ายทารุนหรือว่าความรุนแรงที่เวลานี้ทางสือมวลชนก็พยายามพูดกันอยู่นะครับว่าสังคมของเรามีความรุนแรงกันมากขึ้นท้งในกลุ่มเด็กทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่ทั้งในแมนดีสูตรแม้แต่ในวัดบางทีก็มีความรุนแรงเกิดขึ้น ในสังคมถ้าเผื่อท่านติดตามข่าวติดตามข่าวทางหนังสือพิมพ์บางทางวิทยุบางทางโทรทัศน์บางก็จะพบเอาความรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกวันว่าทำไมสังคมของเราจึงก็มีความรุนแรงมากมายขนาดนั้นออทางนี้ก็เพราะว่าการ อบรมเจริญเมตตากรุณาเนี่ยน้อยไปแม้เราจะไปเน้นย้ำกันให้คนมีศีลหน้าให้มีศีลหน้าสักเท่าไหร่ก็ตามคนก็มีไม่ได้ถ้าเผื่อว่าพื้นฐานที่จะให้มีศีลหน้าไม่มีพื้นฐานที่จะให้มีศีลหน้าก็คือธรรมนั่นเองครับเมตตากรุณานั้นเป็นพื้นฐานกองศีลข้อหนึ่ง ถ้าคนไม่มีเมตตาการุณามันรักษาสินคนหนึ่งไม่ได้แต่คนต้องมีเมตตาการุณาถึงจะรักษาได้โดยไม่ต้องฝืนรักษาได้อีก <c oughs> สินข้ออื่นก็เหมือนกันครับท่านมีธรรมะเป็นคู่ไว้แล้วที่เรียกว่าเป็นจะสินเบนจะทำเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นไปที่ทำให้เขาได้ ศึกษาธรรมให้ได้เรียนธรรมให้ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าธรรมแล้วศีลก็จะรักษาง่ายก็มีมาอีกทีนี้การช่วยเหลือด้วยเมตตาเป็นสิ่งสำคัญอย่างคำกล่าวที่ว่ามือที่ช่วยเหลือดีกว่าคำที่ออนวอนคือว่าถ้ามีใครที่เราพอช่วยเหลือได้เราก็อยอื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ แทนที่จะนั่งอ้อนบอนแผ่เมตตาว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเถิดก็ได้อย่างนั้นแต่ว่าความสำเร็จประโยชน์มีน้อยกว่าอย่างถ้ามีขอทานอดข้าวโซมาหน้าบ้านเราเราจะนั่งแผ่เมตตาว่าขอให้มีความสุขความสุขเถิดมันไม่สำเร็จประโยชน์เหมืนอนเอาข้าวรัดแกงไปให้เขาสักจานหนึ่งนั่นก็เรียกว่ามือที่ช่วยเหลือดีกว่าคาที่อ้อนบอน ท่านผู้ฟังที่ก็ลบกับเวลาหมดไปแล้วครับผมมีอะไรจะพูดอีกนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วก็ต้องยุติเพียงเท่านี้ตอนนี้กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ถึงเรื่องคุณสมบัติเจ็ดประการของท่านผู้ที่ทำให้โชคลาภหลังไหลมาสู่ก็พูดถึง ข้อสุดท้ายอยู่นะครับคื อ, อมีความปราณีแนบแน่นในสันดาปเป็นข้อที่เจ็ดเมื่อวานนี้พูดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็ก็พูดต่อจากเมื่อวานนี้อขอเชื่อมต่อข้อความเมื่อวานนี้นิดนึงนะครับ วันนี้ก็พูดถึงว่ามือที่ช่วยเหลือดีกว่าคาที่ออนบอดคือว่าเอาเราแทนที่จะนั่งออนบอดกันอยู่ก็ช่วยเหลือกันดีกว่ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือกันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าแต่ก็เอาเถอะถ้าเผื่อทำอะไรไม่ได้ ก็อ้อนวอนแสดงความปรารถนาดีคำว่าอ้อนวอนในที่นี้คือแสดงความปรารถนาดีเช่นว่าขอให้เขาขอให้เขามีความสุขเถิดขอให้เขาพ้นจากความทุกข์เถิดอันนี้เรียกว่าเป็นเมตตามนกกรรมถ้าเผื่อทำได้ก็ทําเมตตา ากายกรรมเมตตาวจิกกรรมพร้อมด้วยเมตตามโนกรรมหลักมันมีอยู่ว่าเราให้สิ่งใดแก่ผู้อื่นสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเราให้สิ่งใดแก่ผู้อื่นสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเรา ถ้าเราให้ความเกียจชังแก่ผู้อื่นความเกียจชังนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราแต่เราให้ความหวังดีความปรารถนาดีแก่ผู้อื่นความหวังดีความปรารถนาดีนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราฮการที่เราน้อมจิตให้มีเมตตาปราณีต่อผู้ใด ก็เพึงเลือกความดีอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาขึ้นมานึกคือว่าถ้าเราจะมีเมตตาปราณีต่อผู้ใดแล้วก็ต้องเลือกความดีอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาขึ้นมานึกคือว่าถ้าถ้าเราคิดว่าเขาไม่ได้ดีทั้งหมด ก็นึกส่วนที่ดีเพื่อเราจะได้จิตใจของเราจะได้อ่อนโยนว่าตามธรรมดาคนเราคนเรานี่ดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดคือว่าดีก็ดีไม่ดีไ ม, ไม่ไม่หมดทั้งทั้งหมดหรอกชั่วก็ชั่วก็ชั่วบ้างแต่ก็ไม่ได้ชั่วทั้งหมดอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาส อบอก ว, ว, ว, อ ว, าาอว่าจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ากมัวเที่ยวค้นหาสหายเอ่ยว่าจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ากมัวเที่ยวค้นหาสหายเอ่ยมันหาไม่ได้มันไม่มีมันต้องมีส่วนไม่ดีโสภักขยั่งบอกว่าส่วนดีโทภักขยังส่วนไม่ดีเรามีอยู่ทุกคนเนี่ยครับจะมากหรือน้อ ย, อยเท่านั้นนะ่ะ เราก็มีในส่วนที่เราอภัยให้ได้หรืออภัยให้ไม่ได้ว่าถ้ามีส่วนไม่ดีที่เราไม่ไม่ถือสาแล้วก็มันก็ง่ายในการที่จะเน้นถึงความดีของเขาแล้วก็ลืมความไม่ดีของเขาเสียแต่ถ้าเขามีส่วนไม่ดีที่เราถือมากๆ ม, มันก็ยาก ยากที่เราจะจะลืมได้ที่จะที่จะแผ่เมตตาไปยังเขาได้โดยง่ายก็ถึงอย่างไรก็ลองพยายามก็ลองพยายามดูเพราะว่าจะหาคนถูกใจามากมากอะไรก็หายากมากย่างที่ท่าน เจ้าคุณศาสนาโสพลแจ่มจัตตาสโูได้เขียนเป็นกรอดไว้ว่าจะหาคนถูกใจที่ไหนเล่าตัวเราเองยังไม่ถูกใจเราหนาะตัวเราเองก็มีส่วนที่ไม่ถูกใจเราอยู่เป็นอันมากตัวเราเองซึ่งเรามีทัศนคติที่เข้าข้างตัวเองอยู่อยู่มากแล้วก็ยังไม่ถูกใจตัวเอง นี่จะหาใครถูกใจที่ไหนเรามันหนาไม่ได้แตว่าถูกใจทุกอย่างถูกใจร0อยเปอรเซนอาจจะหาได้แต่หายากออถ้าเผื่อไปหาได้ก็โชคดีมันโชคดีถ้าเผื่อไปหาได้แต่หายากหรือว่าอาจจะถูกใจในระยะหนึ่งแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งอาจจะไม่ถูกใจ ก็ได้ว่ามันมันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นมีเหตุปัจจัยเป็นสังคตะธรรมมีเหตุปัจจัยปรุงแตง่งมันปรุงแต่งไปอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นแต่ก็มองส่วนดีเอาไว้เราจะได้แฝ่เมตตาการุณาไปได้สะดวกพระสารีบุตรอัครส า, าวกท่านก็บอกเอาไว้ว่าเหมือนกับจะดึงผ้าที่หมก โหรือครุกฝุ่นอยู่ออกมาออกมาเพื่อจะได้นําไปทำเป็นจีวรหรือสบงไปไปเก็บปฏิปตอเขาทำเป็นจีวรหรือสบงว่าส่วนไหนดีก็ตัดเก็บเอาไว้ส่วนไหนใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปแล้วนำเอาส่วนดีมาปฏิปตะต่ะตอกันเขาเขาเป็นผ้าได้ผืนนึง เป็นพาได้ผืนหนึ่งเป็นระบงบางเป็นจีวรบางเป็นผ้าอับน้ำฝนบางอะไรก็แล้วแต่